50 l a ส g u เก e s าคำแสดงความเป็นเจ้าของแมวของแฟนดิฉัน Min ูสื้อเปรน่อก็ซูนักของแฟนดิฉันเมนูกวเอร์เมนูเสื้อกวของเล่นของลูกดิฉัน a มนูลอสเ u แมนกัวเชตเมนูลอสเตแมนกัวเชตนี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉันเส n มูก ซนมนโกเลกมเตลนั like ่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉันซ on นมิตซ on มิก le กตนั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉันซียมนโกเลกิเตเตเซียมิกเลกิเตเตกระดุมของเสื้อหายไป ต์นสต์นปรกุญแจโรงรถหายไป g a r a วิติก็ตุุต g a r a วิตติย o m p u t e r ของฮวนาาเสเออร์วุตติยงกัตติคิยูเลมุสเออร์วุตต k ยกคใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง Kes on t ü d r u k u v a n e m a อมัดกฤษณ์ตุ้ยตรุกกวานเอมัดด a ฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไรกูจะสอบถามแต่ a าวัน m a t e maja juurde อยู่รึเต้ n ูจะสอบถามแ m a มาวันเอมัดแต่บ้านอยู่ตรงสุดถนน เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรมิสซอนมิชลสวตซอร์แลนหนังสือชื่ออะไรมิชล์ซลรม์อัเกเิลเลรามัตตเปอลกเรลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไรมิชล์โนเปรโลสเตนิมิชปสน โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไรมิลาลอนลอสเตลโกลิวาไฮอิกมิลาล l นลอสเตลโก i v a าไฮอิกคุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมงมิลาลอนออสติวาสตูบตัวยอดม l ลาลอนออสติวาสเวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไรมิ l าล Millal on m u u s e m i lahti oleku ajad?